เรื่องสุมนาเทวีอันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบซึ่งหญิงชื่อสุมนาเทวีอันว่าเศรษฐีในเมืองสาวัตถีชื่อว่าอนาถบินทิกะซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเป็นที่พึ่งของคนอนาถาเลี้ยงพัดภิกษุ สองพันองทุกวันในเรือนของตนแม้กับนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันอนาถบินทิกะตั้งทิดาคนโตชื่อมหาสุพัทธาคอยุแาบรุรงอุปถากซึ่งภิกษุทั้งหลายนั้นฟังอยู่ซึ่งทรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาได้แต่งงานไปอยู่กับตระกูลของสามีเศรษฐีจึงตั้งทิดาคนรองชื่อจุลสุภัทธาทำกิจการงานดังกล่าวแทน แม้อย่างนั้นเธอก็ได้เป็นโซดาบันแต่งงานแล้วไปแล้วสู่ตระกูลสามีเศรษฐีตั้งธิดาคนสุดท้องชื่อสุมนาเทวีทำหน้าที่แทนเธอฟังทำรรแล้วบรรลุซึ่งสกธาคามีต่อมาเธอป่วยเจ็บหนักใกล้ได้เห็นหน้าบิดาครั้นบิดามาถึงเธอได้กล่าวกับบิดาว่าดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุด อันว่าอะไรดังนี้บิดากล่าวว่าแหะแม่อันว่าเจ้าเพ้อหรือเธอกล่าวอีกว่าดูก่อนน้องชายผู้น้อยที่สุดย่อมไม่เพอ้อสุมนากล่าวดังนี้แล้วก็กระทำกาละคือตายอันว่าเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันก็ไม่อาจยังความเศร้าโศกให้ระงับได้แล้วกระทำแล้วซึ่งกิจคือการปลงศพของธิดาร้องไห้อยู่ ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาทูลพระบรมศาสดาถึงเรื่องธิดาผู้น้อยทำกาละและเพ้อไม่ได้สติร้องเรียกบิดาตนว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดอันว่าเธอไม่ได้สติเพ้อแล้วตายแล้วจึงเสียใจร้องไห้อยู่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าอันว่ธิดาของท่านมิได้เพอ้อแต่เธอถือเอาซึ่งความเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผล เพราะท่านเป็นโสดาบันแต่ทิดาของท่านเป็นสกท า, าคามีเศรษฐีถามแล้วว่าถ้าอย่างนั้นทิดาของข้าพระองค์ไปบังเกิดณที่ไหนทรงตรัสว่าดูก่อนคริหบดีอันว่าทิดาของท่านบังเกิดแล้วที่ฉันดูสิแล้วทรงตรัสซึ่งพระคาถานี้ว่าอันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทําแล้ว ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองอันว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระทำแล้วนั้นย่อมเพลิดเพลินว่าอันว่าบุญอันเรากระทำแล้วดังนี้ไปแล้วสู่สุขคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งดังนี้ข้อธรรมวิจัย เมื่อทําบุญให้ทานแล้วอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนทานศีลภาวนาให้ทานแล้วพึงรักษาศีลรักษาศีลคือรักษาใจชื่อว่ากายวาจาก็ได้รักษานี้คือศีลและพึงเจริญภาวนาสติปัฏฐานมีสติรู้กายใจเห็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เกิดดับอยู่ทุกขณะจิต ไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆดังเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย